ที่นี่เป็นป่านะคนชอบเอาสัตว์มาปล่อยมันไม่รอดหรอกนะเมื่อไม่กี่วันนี้มีคนเอากระรอกมาปล่อยเพราะเห็นที่วัดเนี่ยมีกระรอกอยู่บนต้นไม้นั่นมันกระรอกตามธรรมชาติมันเป็นสัตว์ป่าเอากะรอกที่เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆมา อยู่ในกลงมาปล่อยแป๊บเดียวเท่านั้นเจอสัตว์ลายมาลุมสองตัวนะจ้องหนีขึ้นต้นไม้ไม่เป็นอยู่ที่โคนต้นไม้นะ <c oughs> ตายตายอย่างรวดเร็วเลยลูกหมาลูกแมวอะไรเนี่ยโ เขาบุฟเฟ่กันอร่อยถ้าคิดจะเอาสัตว์มาปล่อยก็ต้องยอมรับนะว่ากำลังทำฆาตกรรมเจตนาให้มันตายอันนี้ตามกฎหมายเรียกว่าเจตนาหล่งเห็นผลรู้ผลอยู่แล้วแกล้งทำไปไงนะั้นเจตนาหล็งเห็นผลก็คือเจตนา เจตนาให้สัตว์ตายสัตว์อยู่ยากนะสัตว์โดยธรรมชาติของมันมันต้องว่องไวมีวิธีหลบหลีกอันตรายต่างๆยันเอาตัวไม่รอดอย่างข้างในวัดเนี่ยจะมีสระน้ำอยู่ช่วงแรกๆ จะมีพวกนกเป็ดน้ำเรียเป็ดผีตัวเล็กหน่อยมาอยู่ในสระออกลูกออกหลานอะไรนะเวลาหัดบินก็น่ารักดีแม่มันไล่ให้ลูกบินพอบินเป็นมันไล่ออกจากสระเลยให้ไปหาที่อยู่เอมเมริกเลี้ยงลูกแบบฝรั่งแบบญี่ปุ่นเลี้ยงแล้วโตนี่มันไม่เลี้ยงลูกแบบไทยนะ เลี้ยงจนมันแก่แล้วมันก็ยังอยู่ให้พ่อแม่เลี้ยงไปเรื่อยเด๋ยนนี้ก็ยังมีอยู่เป็ดเพียแต่ออกลูกไม่ได้เฮมันชุมออกไข่มานั้นมันไปกินหมดไม่เหลือต่อไปจะสูญพันธ์ไปชนิดหนึ่งว่าออกลูกออกหลานไม่สำเร็จ <S <S <S <S นกก็เยอะที่นี่สารพัดนกเลย นกบางอย่างไม่น่ารอดอยู่นะมันอยู่ของมันได้นกตบยุงเคยได้ยินไหมนกตบยุงตทั้งจุง๋งจุงเนยกลางคืนนกเนี่ยไม่ขึ้นต้นไม้ไม่ค่อยบินนอนอยู่กับกองใบไม้แห้งกลางวันเนี่ยเฮเดินยัวเยะเลยกินมันไม่ได้ไม่เห็นมันมเก่งจริง กลมกลืนกับใบไม้แห้งเอาตัวรอดได้บางตัวเพราะเอาตัวไม่รอดบางสัตว์บางชนิดปีนี้หอยทากเยอะมีนาเมสาหน้าหิงห้อยเยอะเยอะรู้จักหิ่งห้อยไหมสวยไหมสวยกระพริบหิงห้อยตอนที่มันเป็นหนอนนะ่ะ มันจะเที่ยวคลานไปตามพื้นถ้ามันเจอหอยทากหรือเจอไส้เดือนเนี่ยมันจะเจาะเข้าไปอยู่ในตัวรับแล้วไปกินเขาแบบพีปอบเลยนะสะตา์เดียวกับพีปอบมุดเข้ามาแล้วไปกินเครื่องในเขาจนกระทั่งตายตายเนี่ยมันโตพอดี มีอยู่ช่วงหนึ่งนะหอยทากเต็มวัดเลยห้ยเดินแต่ละก้าวนะจะได้ยินเสียงกรับแก๊บกรับแกรบไปเรื่อยแต่หลวงพ่อไม่ไม่ค่อเหยียบหรอกหลวงพ่อไม่ออกมาเดินกลค่ากลางคืนอะไรย่นีะพวกพระเขามาเดินจมกลมนะเดินก็กรับแกรบกรับแกรบตัวตายอยู่กุฏิดีกว่าหอยยึดวัดไปะอีกปีหนึ่งนะโอ้ยหิ่งห้อย เป็นพันๆเลยนะงดงามเบื้องหลังความงดงามคือความอมหิตมันรับประทานเพื่อนมาเยอะเลยปีนั้นที่หิ่งห้อยเยอะนะหอยไม่ค่อยมีหอยแทบศูนย์พันเลยนี่ปีนี้หอยเริ่มพัฒนามากขึ้นใหม่ละนหิ่งห้อยจะเริ่มยิ้มหวานะ อยู่ในป่านะอยู่กับธรรมชาติแนละ้วเรียนรู้มันสัตว์ในป่าเนี่ยไม่ควรไปให้อาหารมันอย่าไปให้อาหารสัตว์ป่ารู้สึกสงสารอยากทำบุญไล่ไปหลายรอบแล้วตัวเนี้ย <c oughs> ตัวแมงมุมเดี๋ยวมันจะเข้าปากไมั้ยเลยเบรกไม่ทันเนี่ยกลืนไปอาบัตเลยเนะี่ย ไม่ได้ประเคนภาษาพระก็เยอะนะมีศัพท์เฉพาะของพระไม่สบายเรียกอาภาษ์อะไรเงี้ยนะอามน้ำก็เรียกสงน้ำกินข้าวเรียกฉันเลยมีศัพท์เฉพาะเยอะเลยทีคนรุ่นหลังๆนะไม่คุ้นกับวัดนะที่เคใช้อยากจะใช้ศัพท์ ให้ดีๆก็ไม่เข้าใจนี่หลวงพ่อไปสุรินมาไปกราบอุปชาเพราะว่าจะเข้าพรรษาแล้วต้องไปกราบอุปชาอาจารย์ท่านกเลาให้ฟังว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ภาษาพระมีลงตาองค์หนึ่งไม่สบายอาภาษาพาะไปหาหมอที่คลินิกหมอรู้จักกันนะ รักษากันมาหลายปีเวลาไม่สบายจีได้ไปหาหมอที่คลินิกเนี่ยไม่เข้าโรงพยาบาล น, นี่มาปี น, นี้หมอถามว่าลวงตามีอาการอะไรบ้างจำวัดไม่ได้หมอไม่หมอรีบปลับเลยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการเอง พอตรวจรักษาอะไรเสร็จนะให้ยาเสร็จแล้วนะเรียกคนขับรถนี่เอาหลวงตาไปส่งหน่อยนะท่านอยู่วันนี้วันนี้แหละตอนนี้ท่านจำวันไม่ได้หนะ <c oughs> ลวงตาดีใจนะท่านบอกอูชาเล่าบอกหลวงตาดีใจวอาวันนี้หมอบริการดี <c oughs> แล้วก็มีอุปชาหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลานหลวงปู่ดุลนะเป็นหลานหลวงปู่ลูกพี่ลูกน้องกันแกอุปชาหลวงพ่อเป็นผู้หญิงเป็นครูประชาบาลด้วยนะนี่วันหนึ่งมีหลวงปู่จะไปเยี่ยมน้องชายเนี่ผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นหลาน หลวงปู่จะไปเยี่ยมลุงนะกับพ่อของเขาพ่อกับพี่ชายของพ่ออยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันกับเด็กกับผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วเป็นครูประชาบาลพอไปถึงเนี่ยเขาก็รีบบอกหลวงปู่บอกว่าตอนนี้พ่อกับลุงไม่อยู่ไปทุระวันนี้ไม่กลับอาะ ต้องนิมนต์ให้พักก่อนละอยู่ที่บ้านต้องพักอยู่ไม่ได้พักห้องเดียวกันนะคนญาติโยมเลยก็มาเยี่ยมมาคุยพอตกเย็นแล้วแกก็ไปปูที่นอนแบ่งห้องไว้เลยให้หลวงปู่ไปพักมากลับเรียนหลวงปู่ลงลวงข หนูปูที่นอนเสร็จแล้วนี่มุกนี่มลงลุงไปมรณลนภาพเป็นของพ่อรีบออกจายบบ้านนี้ไม่รู้สับไม่รู้ศั์มาให้ใช้สับผิด อันนี้ต้องใช้นิมนต์ไปจำวัดส่วนหมอนี่นก็แปลกข้ามาจำวัดผิดหายง่วงยังหายง่วงแล้วตรวจกันบ้านอา้ามันอยู่วัดก่อนกลับนมัส ก, การหลวงพ่อครับเมื่อปีที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ไปขยันขยันหน่อยแล้วก็ยุ่งกับโลกเท่าที่จำเป็นผมก็ ไปเพิ่มรูปแบบตอนเช้าขึ้นมา อ, อีกสั้นๆนะครับตอนเช้ า, ป ร, าประมาณนี้ครับก็ดีจิตก็ดีขึ้นเวลาเราภาวนานะทำสม่ำเสมอจิตมันจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะครับกำลังเนี่ยมีองค์ประกอบห้าตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าเองครับเราฝึกของเราไปด้วยมีสติไปด้วย ภาวนาไปได้ๆจิตมันจะมีแรงมีกำลังในภาพรวมมากขึ้นมากขึ้นนะอประกอบห้าตัวจึงๆเลยรวมแล้วเป็นกำปั้นมีห้านิ้วนะรวมแล้วเป็นกำปั้นโชกอาสวะกิเลสได้โชคสังโรดตายแล้วสะสมกำลังเอาไว้ดีแล้วไปทำอีกแล้วมณฑตาลดลงยัง ผมว่ามันไม่ค่อยลดครับเออไย <c oughs> ดูนะเกิดนี้ยเยอะมาหน้าตาแรงเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อผมได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อไปบอกว่าเหตุการณ์ขยับแล้วก็ดับ <c oughs> ขยับแล้วก็ดับแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าอันนี้คือสังขารที่ทําให้วิญญาณมันหยางลงใช่ไหมหลวงพ่อบอกว่าใช่แล้วผมก็กลับไปภาวนาสัระยะหนึ่งผมรู้สึกว่า <c oughs> ผมจะเห็นตัวเจตนา ที่ทำให้เกิดสังขารอีกทีหนึ่งอันนี้ถูกถูกใช่ไหมครับหลวงพ่อครับใช่แล้วไอ้ตัวเจตนาตัวนี้ตัวสังขารนะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าภพนะ เ, เจตนาคือตัวกรรมนะก็คือตัวภพนั่นแหลนะมันสร้างกรรมมันทํากรรมตามเจตนาเนีย่ยปรุงแต่งไปตามเจตนาเนะีย่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไป แล้วไอ้ตัวเจตนาตัวเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเป็นเชื้อที่อยู่ในจิตหรือเปล่าครับยังมีอวิชชาอยู่ก็มีตัณหามีตัณหานะก็เกิดการทํางานนะาเกิดเจตนาทำโน้นทํานี้ขึ้นมาทํางานแล้วก็เกิดทุกนะข์กระบวนการของมันก็เป็นขั้นเป็นตอน ไม่ต้องดิ้นรนคนกวามากดูไปสบายๆเมื่อก่อนลวงพ่ก็เห็นในตัวนี้เห็นลงไปถึงเชื้อของความเกิดที่อยู่ในจิตมันลึกลงไปอีกยิ่งกว่าตัวอยากตัวตัณหามันคือตัววิชาเป็นเชื้อในกิเลสมันซ้อนอยู่หลายชั้นนะ ไม่ต้องดิ้นรนค้นคว้าถึงเวลาเรารู้เองมีหน้าที่จเจริญสติปัฏฐานไปเวลาดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกําลังของเราจะแก่กล้าขึ้นสติเราละเอียดว้องไวขึ้นเราจะเห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นสมาธิความตั้งมั่นเราดีขึ้นเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลาย ปัญญาความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็จะเกิดขึ้ น, นมันจะพัฒนาขึ้มนมาเองเห็นก็ดีแล้วละ่ะก็แค่รู้แค่เห็นนะไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจวันหนึ่งอาจจะไม่เห็นก็ไม่ต้องตกใจธรรมดาแล้วผมถามหลวงพ่อว่ากิเลสที่มันลดลงนะครับแล้วทีนี้ผมมาไปเห็นเหมือนกับว่าที่หลวงพ่อบอกให้ไปดูตัวนิ่งๆอยู่ห้างใน ผมก็ไปเห็นแล้วนะฮะไอตัวที่อยู่นิ่งๆที่ทําให้กิเลสมันล้างไม่หมดเนะี่ยผมคิดว่าตัวนี้มันคือเจตนาฝ่ายดีครับอืมใช่เจตนาฝ่ายดีแล้วก็เลยปรุงแต่งฝ่ายดีขึ้นมาเรียกว่าปุญญาพิสังขาร น, นะปรุงดีแล้วเราก็จะทําอะไรดีๆแล้วก็มีสุขติเป็นที่ไปแต่ไม่เป็นนิพพานหรอกนะตัวเจตนาฝ่ายดีความจงใจที่จะปรุงดีอะไรเงี้ยนะเกิดจากวิชา เช่นเดียวกับความปรุงชั่วความปรุงแต่งมีสามอันปรุงชั่วอันนี้ก็จะทำชั่วไปนะแล้วก็มีผลเป็นทุกข์ลงอบายปรุงดีนะก็จะมีผลดีไปนะสุคติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมจะไม่ไปนิพพานนะว่าวิชาอย่างอยู่อีกปรุงหนึ่งเรียกว่าอาเนชาที่สังขาร พยายามจะไม่ปรุงพยายามจะไม่ให้ปรุงแต่งสังเกตดูสิความปรุงแต่งมันตามหลังการกระทบอารมณ์มีผัสสะแล้วถึมีการปรุงแต่งขึ้นมาเขาก็หลีกเลี่ยงการกระทบผสัสสะในั้นเข้ามารู ป, ประฌานมั่งเป็นพรมลูกฟักมั่งอะไรอันนี้เรียกว่ า, าเนรชาที่สังขารหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เพื่อจะหนีความปรุงแต่งซึ่งมันก็คือความปรุงแต่งชนิดที่สาม รากเง่าของความปรุงแต่งทั้งสามอย่างนี้คือตัวอวิชชาเรายังไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ความจริงของทุกความจริงของทุกคืออะไรอะไรเรียกว่าทุกรูปนามกายใจนี้คือตัวทุกเนี่ยตัวแรกที่ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกขเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยคิดดิวยนาจของอวิชชา ที่จริงคือทุกมากกว่าทุกน้อยไม่ใช่ทุกขสุขเรื่องเราจะไม่รู้จักตัวทุกอย่างแจ่มแจ้งหน้าที่ต่อทุกไม่ใช่ละหน้าที่ต่อทุกคือการรู้นั้เราจะต้องรู้ทุกคือรู้รูปรู้นามอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกคือรูปนามนะไม่ใช่ทุกทรมานคนละเรื่องกันอ้นนั้นเรียกทุกขเวทนา ส่วนทุกข์ที่ว่าต้องรู้ทุกข์ถึงะรู้ธรรมเนี่ยคือรู้ทุกขสัตว์คนละอันกับทุกขเวทนาสิ่งที่เรียกว่าทุกขสัตว์คือรูปนามคือกายคือ ใ, ใ, นใจนี่เองหน้าที่ต่อทุกขคือการรู้ไม่ใช่การละในขณะที่พวกเราเพอเห็นทุกขที่ไรเราอยากลาทุกทีต้องรู้ไม่ใช่ละประโยคนี้ใช้ได้จนถึงในนาทีสุดท้ายที่จะแตกอัข้ามวัตฏะเย ในนาทีสุดท้ายโชงสุดท้ายเวลาจะข้ามบัตต์จริงๆเนะมันจะทุกข์จนไม่มีอะไรเหมือนทุกข์เหมือนร่างกายเนะี่ยถูกภูเขาลงมาขยี้ถ้าดูกายนะถ้าเราไปนั่งดูจิตเนี่ยจะเห็นนะทุกข์เหมือนนะียภูเขาลูกใหญ่ๆลงมาบดบดลงมาบนจิตดวงเดียวเนะี่ยขยี้ขยี้ขยี้มันทุกข์ขึงขนาดนั้นทุกข์แบบ ถ้าอยู่อย่างนี้อีกหน่อยเดียวจะตายแล้วนี่ถ้าเห็นตรงนี้แล้วอยากละอยากค้นทุกข์กลับมาเกิดทันทีเลยเม็นใบแต่เกิดนะแต่ถ้าอดทนตายเป็นตายยอมยอมตายสิ่งที่ตายนะคืออาสวะกิเลสมันจะตายไม่ใช่เราตายหรอกมันะแตกหักกันลงตรงนั้นนะวัตตะ เห็นมันหมุนไหมอยู่กลาง อ, อกนั่นแหละตัววัตตาละเห็นไหมมันผลิตสุขทุกข์ดีชั่วขึ้นมาจากตัวนี้ขึ้นมามวัตตาเนี่ยทำไงก็ไม่หายนะจนถึงอนียมมขั้นสุดท้ายอรหัต ส, สมาร์กเกิดเนี่ยตัวนี้จะถล่มลงไปจะถล่มทลายลงไปต่อหน้าต่อตาเลยเงินทุกข์ก็ให้รู้ไป สิ่งที่เรียกวัาทุคือกอยายกใจรู้ไปเรื่อยจุดอ่อนคืออยางดิ้นรนค้นคว้าเยอะไปอยากรู้เยอะไปโง่ไวภาวนาซื่อรู้ซื่อรู้ซื่อหมายถึงมันมีให้รู้แค่ไหนก็รู้อย่างนั้นนะอย่าไปค้นคว้ามากใจจะฟุ้งซ่าคนค้นคว้าในธรรมมาแล้วก็ปรุงดีอีกแหล<น>ะไปทําเอานะภาวนาได้ละเอียดได้ละเอียดดีมาก ขอบคุณครับแต่คนที่พาวนาไม่ละเอียดก็ไม่ต้องตกใจนะหยาบหรือละเอียดสอนธรรมะอันเดียวกันคือสอนใจลักงั้นบางคนดูได้แต่ของหยาบก็ดูหยาบหยาบไปก็เห็นใจลักพอเห็นของละเอียดนั้นก็เห็นใจลักเพีย็นั่นเดียวกันเวลาหลุดพ้นก็หลุดพ้นอย่างเดียวกันพ้นทุกได้แบบเดียวกันงั้นไม่จําเป็นว่าต้องดูอะไรละเอียดยิบขนาด เห็นวัตตาหมุนอยู่กลางอกหรอกไม่จําเป็นหรอกแต่ว่ามันหมุนจริงๆอ่ะส่งกันบ้าน อ, อผมมีวิบากกรจำอะไรหรือเปล่าครับคือตอน <S <S ที่คุณแม่ป่วยเนี่ยเป็นคนดึงท่อออกซิเจนออกเจตนาให้แม่ตายหรือเจตนาให้แม่ทรมานเ อ, อไม่ทรมานครับ เออมันอยู่ที่เจตนาผิดกันนิดเดียวอะหลวงพ่อถึงเตือนพวกเราด้วยอย่าใส่ท่อเลยใส่เข้าไปแล้วถอดไม่ออกตอนถอดเนี้ยนะกลุ้มใจไปจนวันตายเลยเราฆ่าแม่เราหรือเปล่าวะนะอยู่ที่การวางใจให้ถูกนะถ้าวางใจไปอย่างเรารักษามาเต็มที่แล้วตอนนี้เป็นมนุษย์ผักแล้วนอนไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วนะเป็นเซล์เฉยๆแล้ว ไม่มีจิตวิญญาณแนละ้วเพราะว่าไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นกรนะะทบผัสสาอะไรไม่ได้แล้วเราถอดนะไม่ใช่เพื่อให้ตายถอดนะตายรู้แล้วรู้รอดนะอย่างนี้ผิดเต็มๆแต่ถ้าโอ้รักษาเต็มที่แล้วรักษาไม่ได้แล้วนะทรมานไม่มีประโยชน์อะไร ใจเป็นกุศลนะใจเป็นกุศลแต่ตัวนี้อันตรายเสี่ยงมากเลยตรงที่ใจเป็นกุศลเนี่ยนะแล้วก็เกิดการุณญฆ า, าตตัวนี้ไม่ถูกนะการุณญฆ า, าตมีไม่ได้เด็ดขาดเลยแต่ถอดท่อออกซิเจนได้ไหมได้แต่ไม่ได้คิดจะฆาการุณยฆาตเนี่ยเจตนาฆาตเขาบอกอยู่แล้วว่าจะฆาตกรรม แต่ถ้าเจตนาให้พ้นจากเวทนาทำได้ทางที่ดีพวกเราเขียนสั่งไว้เลยนะว่าถ้าเราป่วยรักษาไม่ได้แล้วยามาใส่ท่อน้นท่อ น, นี้นะยกเว้นในเครื่องที่ช่วยบรรเทาเวทนาช่วยหายใจช่วยอะไรอย่างเงี้ยทำไดนะ้แต่อาหารอะไรเงี้ยไม่ต้องให้ละคนเราเวลาไม่สบายเนี่ยนะนะร่างกายมันจะสมองมันจะเลิมเบลอๆไม่อยากกินละ ไม่กินสักสองสามวันเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่เจ็บไม่ทรมานที่ทรมานมากเจ็บมากเนะี่ยก็เพราะว่าพยายามช่วยให้มีชีวิตอยู่ทั้งๆ ท, ท, ที่ควรจะตายแล้วถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยตายแล้วธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายทารุณนะหรอกถ้าตายตามธรรมชาติเนี่ยไม่เจ็บมากนะไม่เจ็บมากถ้าตายผิดธรรมชาติเนี่ยตกไปอยู่ในมือหมอ แล้วถ้าหมอหลายคนด้วยนะยิ่งแย่ใหญ่เลยคนนี้จะทําอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนี้นะแล้วตกลงกันไม่ได้เลยทําทุกอย่างเลยนะอย่างเนี้โอ้โหทรมานหรือหมอตกลงกันไม่ได้แล้วยิ่งใหญ่พอกันนะตกลงกันไม่ได้งั้นผมวางมือทุกคนวางมือหมดเลยด้วย ม, มาระยาทหลวงพ่อเคยเจอนะเป็นงูสบัดนะหมอหลายคนเลเอายามาเยอะแยะเลย หลวงพ่อบอกหลวงพ่อมีหมอแล้ว น, นี่ยยานี้ดียานี้ดีนะอยดีเสร็จแล้วหมอก็เริ่มเถียงกันนะหมอนี่เถียงกับหมอนี่ย่นี้ตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้หลวงพ่อใช้ยาอะไรหมอก็ตัดสินใจเด็ดขาดทุกคนวางยาไว้คนละถุงหลวงพ่ออยากฉันอะไรก็ฉันเถอะ <c oughs> <c oughs> เราบอกเวทุตู <c oughs> บุญหรือหรืออักุศันให้ผลเนี่ยะ <c oughs> เ, เวลาภาวนาอะไรพวกนี้ไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือเปล่าครับยังจิตใจแบบวุ่นวายกระสรับกษายท่านมานั่งสวดมนต์พอสวดเสร็จแล้วก็ยังไม่หายก็อ่านหนังสือของพระอาจารย์แล้วก็ถึงมาทำพุทโธทอทีกทีเห็นมัน ได้ยินเสียงอะใจมันก็แวบไปทางนู้นทีมองทางนี้ก็เห็นเห็นอะไรก็ใจมันก็ตัววิ่งไปทางนู้นไม่ได้อยู่กับพุโทโธเลยไม่ต้องอยู่จุดสําคัญของการพุโทโธนะคือรู้ทันใจที่หนีไปวเวลาพุโทโธแล้วใจหนีแล้ว เ, เรารู้ใจหนีเรารู้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีพุโทโธเป็นเครื่องสังเกตใจเท่านั้นเองพุโทโธเป็นความคิดแต่เราเจตนาคิดคำว่าพุโทโธ เวลาจิตเราฟุ้งซ่านมันจะลืมคิดพุดโธมันจะไปคิดเรื่องอื่นเราจะได้สังเกตง่ายว่าฟุ้งซ่านแล้วนะแล้วเราพ็รู้ทันวนะ่าจิตฟุ้งซ่านจิตก็จตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวฟุ้งใหม่รู้ใหม่ฟุ้งใหม่รู้ใหม่ไปเรื่อยๆนะสติสมาธิปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ากลัวว่ามันฟุ้งแล้วเพ่งเอาไวนะ้น่าจะเคลียดเครียดใช้ไม่ได้จนะติดเพ่งนะยังมีอยู่บ้างไม่ไม่มากหรอกแต่ว่ามี อดีตจบไปแล้วนะี่ไปสนใจมันอดีตเอาปัจจุบันบเอาต่อไปหมดแล้วใช่ไหมใครจาเป็นจะคุยกับหลวงพ่อยังไม่ส่งไม่ส่งก็ไม่ส่งสิไปบงังคับเขาทำไมล่ะอฮ ะ, ฮะอะไรนะจะขอส่ง เขาส่งก็เอาหรือว่าไม่เอาแล้วก็อย่าไปบังคับเขาครับเพิ่งมาปีแรกคธรรมดาเพราะว่าที่จับฉลาดเนี่ยคือพวกใหม่ๆไม่เคยอยู่วัดทั้งนั้นแหละไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนเริ่มอยู่กับปัจจุบันนะอยู่เนี่ยอยากให้ใจลอยหนีไปที่อื่นคอยรู้สึกร่างกายคอยรู้สึกจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆ ความรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจก็เรียกว่าขาดสติแล้วอย่างใจตอนเนี้ยหนีไปคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยใจหนีไปคิดก็รู้เมื่อกี้ร่างกายไปยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ใจเคลื่อนไหวก็รู้ฝึกไปอย่างนี้แหละฝึกบ่อยๆหลงไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้ ฝึกตัวนี้ให้ยอะต้องดึงกลับมาเลยไม่ดึงไม่ดึงนะตรงที่หลงไปคิดแล้วรู้เนี่ยขนาดที่รู้เนี่ยจิตไม่ได้หลงแล้วนี่เราไปคิดว่าจิตมีดวงเดียวจิตหนีไปคิดแล้วพอรู้ว่าจิตนีไปคิดเลยไปดึงคืนอันนี้ไม่ถูกนะจิตจะแน่นไปหมดเลยถ้าแน่นแล้วผิดแล้วละ่ะจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งหลงไปคิดจิตดวงหนึ่งรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิด แล้วเกิดเป็นจิตรู้ขึ้นมานะแล้วก็เอ๊ะทายังไงจะไม่หลงอีกเนี่ยเกิดเป็นจินอังุศลโลภอีกแล้วเนะี่ยดูเป็นทีละช็อตทีละช็อตไปแล้เห็นนะจิตทุกดวงเกิดแล้วดับรู้สึก เ, เหมือนมันแน่นเราเครียดไปหมดเลยอะไอ้นั่นจงใจไปดูมันบังคับมันมากไปนะถ้าเครียดถ้าแน่นอะผิดนะเลิกเลยร้องเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วมาดูใหม่ร้องเป็นไหม เพลงอะไร <c oughs> แค่ฟังเพลงที่ร้องเราก็รู้ว่ารุ่นไหนแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เอาใครจำเป็น อ, อ, ยอยู่นนไหนอ่ะขอขอดูหน้าก่อนอยู่ตรงไหนอยู่พิศนโลกค่ะ <c oughs> เอาพิศนุโลกก็เอา อ้าวว่ามาเหนือพ่อจะดูไปที่พิษณุโลกแล้ว อ, อ้าวเป็นไงใจหนีไปแล้วรู้ไหมใจไหลไปแล้วอ่ตอนนี้นั่งอก็มันมันมึนมันแน่นหมดนะฮะอถ้ามันแน่นนะแสดงว่าเราจงใจนะเรานั่งเล่นเล่นเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจ ส่วนจิตใจเราสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ต้องดีก็ได้ถ้านั่งแล้วหวังว่าจะต้องสงบจะต้องดีนะมันจะแน่นไปหมดเลยนะตอนนี้นแน่นเอออย่าไปอยากดีมันแน่นเพราะอยากดีนะแล้วมันสบายเพราะว่าอยากชั่วเวลาอยากชั่วแนละ้วใจก็ฟุง้งฟุ้งไปแหมสบายใจนะแต่แน่นเราก็รู้ว่าแน่นนะอย่าไปอยากดีอยากให้จิตสงบ อยากให้จิตสบายอยากให้จิตสว่างอะไรเงี้ยาอยากดีขึ้นมาแล้วจิตมันจะแน่นนะดูสบายสบายไปแน่นรู้ว่าแน่นไม่ชอบรูว่าไม่ชอบอยากหายรู้ว่าอยากหายเนะี่ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆดูสบายสบายแล้วถ้าดูจิตแล้วมันแน่นมากก็เปลี่ยนมาดูกายร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอน แค่มีสติอยู่กับกายก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องดูจิตถ้าดูจิตแล้วแน่นก็ดูกายไปฝึกเอานะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะคนพิษณุโลก อ, อยู่พิศณุโลกนะมีอะไรก็ไปถามหลวงปู่ใหญ่กันนะคนพิษณุโลกอยากรู้อะไรก็ไปถามหลวงปู่ใหญ่รู้จักไหม ต้องนะไปขย่อยีขยเราพระชินราชศักดิ์สิทธิ์มากนะศักดิ์สิทธิ์มากครูบาอาจารย์บอกว่าเทวดาเยอะมากเลยที่นั่นนแต่คนไม่ดีไปก็ไม่รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์คนมีศีลมีธรรมไปนะไปเห็นหน้าท่านใจก็มีสมาธิและ้วะเดี๋ยวนี้ที่วัดเที่ยวก็ดีขึ้น เขาเอาไอ้ตู้ไอ้ตู้อะไรวัตถุมงคลเอาไปไว้ที่อื่นเมื่อก่อนเราเห็นแล้วอนาดเนาเอาเลยไปโหมไว้เต็มเลยเราจะไหว้พระก็ไหว้ไม่ได้คนหมดแต่ซื้อวัตถุมงคล ว, วัตถุมงคลที่ดีที่สุดก็คือหลวงพ่อใหญ่นั่นแหละะหลวงพ่อพระชินาราชนั่นแหละอยู่บ้านเราก็ไหว้ได้นะเรานึกถึงเวลาแต่เราฟุ้งซ่านเราก็คิดถึง หลวงปู่ใหญ่นะคิดถึงาเราคนพิสนุโลกเราคุ้นเคยคิดถึงท่านหน้าตาท่านสดใสหน้าตาท่านเบิกบานพอเราคิดถึงเราสบายใจพอสบายใจแล้วสมาธิมันจะเกิดไอ้ที่แน่นๆก็จะหายนะเพราะงั้นเวลาภาวนาแล้วอืน่นนนะคิดถึงหลวงปู่ใหญ่เลยนะแล้วสบายใจเนี่ยในห้องหลวงพ่อยังมีมีองค์หนึ่งเล็ก คนเขามาทำสังฆทานซื้อมาจากเสาจิงชาไม่ได้ซื้อมาจากวัดที่ไหนหรอกก็ไหว้มาหลายปีแล้วเวลาใจเราฟุ้งซ่านเวลาใจเราฟุ้งซ่านนะนึกถึงพระพุทธรูปที่เรานับถือที่เราเห็นแล้วสบายใจนึกถึงหลวงปู่ใหญ่พชินราชอเงี้ยใจสบายรู้ว่าสบาย เราก็ภาวนาของเราต่อไปใจเมื่อกี้ไม่สบายตอนนี้สบายใจนี้ไม่เที่ยงเนาะดูอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเห็นแต่ความไม่เที่ยงของจิตใจนะดูไปเรื่อยเรื่อยที่แน่นเพราะว่าอยากดีมันก็เพ่งสมาธิมันเกิดจากความสุขถ้าเราอย่างเราคิดถึงพระชินราชแล้วเรามีความสุขนะสมาธิก็เกิด สมาธิเกิดแล้วสบายใจก็มาเรียนรู้กายรู้ใจไปก็เห็นว่าตอนนี้ใจมีความสุขรู้การเล่วนวัส ก, การหลวงพ่ออยู่ไหนเดี๋ยวก่อนหาตัวก่อนขอดูหน้าหน่อยี้เจดูไกลตั้งพิษสนุโลกนี่อยู่ไหนอยู่ศรีละชาค่ะอ๋อใกล้ใ <c oughs> หนูไมนได้่งกันบ้านหลวงพ่อห้าปีแล้วค่ะเหรอแต่กันบ้านครั้งก่อนหลวงพ่อบอกวนะ่า เห็นหรือเปล่าว่าจิตเราเปลี่ยนไปแล้วดูออกไหมก็ดูออกค่ะเออจิตมันโปร่งโล่งเบาขึ้นเยอะแล้วตอนนี้กลัวค่ะอะไรนะกลัวค่ะกลัวกลัวอะไรกลัวหลวงพ่อกลัวรู้ว่ากลัวอยากได้กันบ้านไปทำต่อค่ะรู้ว่าอยากสิรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย กรรมฐานไม่อยู่ที่ตัวเราเอง <All right. S 2> ไม่ได้อยู่ที่หลวงพอ่อกรรมฐานอยู่ <Cyber train. S 2> ที่กายอยู่ที่ใจนี้แหละเพราะฉั้นอย่างใจเราอยากเรารู้ว่าอยากนี่เราทำกรรมฐานแล้ว <S 1> <S 1> <S 1> กรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการงานงานอันนี้เป็นงานทางใจ <Okay. S 2> อะไรเป็นที่ตั้งของการงานบ้างก็กายกับใจเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของการงาน <Okay. S 2> ค่อยรู้กายคอยรู้ใจไปเรือเร่อยๆ ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตดีขึ้นเยอะแล้วไปฝึกอีกไปขอบคุณค่ะนมัส ก, การครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยสอนให้ให้ผมคิดพิจาราร่างกายครับเวลาติดนิ่งติดเฉยก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามันมันน่าจะดีขึ้นแล้วก็กลับไปพุโทโรเหมือนเดิมอ่ะครับ ไม่่มมทรร ท, ทราาบวด้พุดโธแล้วพอมันนิ่งก็พิจนากายไปนะพิจนากายแล้วพอจิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็กลับไปพุดโธใหม่ทําสลับกันไปอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่มาด้วยวิธีนี้นะงั้นไปภาวนาต่อครับแต่ว่าช่วงระยะใกล้ๆเนี่ยครับมันจะรู้สึกว่ามันโทสะมันจะแรงโดยเฉพาะกับกับคนในครอบครัวงเงี้ยครับอืมปกตินะ โทสะมันจะแรงกับคนที่เรารู้สึกว่าอารวาสแล้วปลอดภัยนะกับคนอื่นเราไม่กล้ายิ่งบางคนนะเก่งมาสารพัดเลยแล้วมาล้ายในบ้านเยอะนะคนประเภทนี้ไม่ใช่นักภาวนาที่ดีหรอกเราพอภาวนาไปโทสะเกิดเราคอยรู้ว่าทำไมกับคนในบ้านโทสะแรงนักเพราะมันรู้สึกปลอดภัย เราไปใช้ความดีงามของเขาว่าเขาไม่ทําร้ายเรา เ, เป็นความดีงามของเขาใช้ความดีงามของเขาไปทําร้ายเขามันไม่ถูกนะเพราะงั้นพยายามมองเขาด้วยความรู้สึกเมตตาบ้างนะรู้สึกดูสิเขาเองเขาก็ทุกข์อยู่แล้วเราอย่าไปเพิ่มทุกข์ให้เขาเอีกนี่ยสอนตัวเองไปเลยว่าเราจะไม่เพิ่มทุกข์ให้คนอื่นนะคนที่อยู่ใกล้ตัวเป็นคนที่เราต้องทะนุถนอมมากที่สุดนะ นี่เราวแต่ถนอมคนใครเพราะว่าไปร้ายกับเข า, ามันไม่ปลอดภัยนะกับคนในบ้านในครอบครัวร้ายแล้วรู้สึกไม่เป็นไรเราเลยปล่อยเต็มที่อันนี้เป็นลักษณะของการเก็บกดข้างนอกทําเป็นดีนะแต่ว่าเก็บกดเอาไว้แล้วมันต้องการที่ระบายมันเป็นระบายตรงที่สบายใจนะงั้นไปสังเกตใหม่อยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยถ้าเราเก็บกดเมื่อไร่เรารู้ทันเลยนะ นะปล่อยให้จิตมันทํางานแล้วมีสติตามรู้ไปมันจะไม่เก็บกดอย่างเราโกรธคนนี้เรารู้ว่าโกรธแต่เราไม่ผิดศีลผิดศีลหมายถึงพอโกรธเขาเราก็ด่าเขาตีเขาต่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะทางกายทางวาจาเนี่ยเราไม่ให้ผิดแต่โกรธเรารู้ว่าโกรธ ถ, ถ้าแบบนี้ใจมันจะไม่เก็บกดเวลากลับบ้านมันจะไม่ต้องเวลาบายใส่คนที่บ้านนะถ้าเราเระบายใส่คนที่บ้านเนี่ยเป็นเครื่องสังเกตเลย ว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเก็บกดไปดูนะแล้วแก้ที่ต้นทางเลยจะไปเก็บกฎมันแต่ไม่ให้ผิดศีลเท่านั้นแหละขอบพระคุณท่านหลวงพ่อครับส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นแหละเป็นอาราภาสที่บ้านนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ไปช่วยพวกเด็กพวกเยาวชนมีปัญหาพวกเด็กมีปัญหานะเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรเนี่ย ทำงานอย่างนี้ดีมากเลยแต่พอกลับบ้านนะร้ายที่สุดเลยกับสามีกับลูกตัวเองเนี่ยนะโหดสุดๆเลยเพื่อนก็ไปเตือนบอกนี่เธอเธออย่าไปกดสามีมากนะักมีอะไรก็ให้เขาพูดบ้างนะแกก็ไปบอกสามีแกเอ้าคุณครับคงใจอะไรก็พูดมาได้นะฉันจะพร้อมจะฟังแนละ้วนะสามีถอนใจเฮือกเลยเนี่ยผม ทุกทรมานมาตั้งนานแล้วนะรอวันที่จะได้พูดนี่แหละแกลืมตัวปับเลยอ๋อไอ้แก่เดี๋ยวนี้เห่าแล้วเหรอไอ้แก่สะดุงเสร็จแล้วทั้งลูกทั้งผัวน้าพาไนหนีออกจากบ้านไปในขณะที่เจ้าตัวเนี้่ไปช่วยเด็กหนีออกจากบ้านอ้าว่ามาอขอดูหน้าก่อน อ๋อคนนี้เรอะค่ะเขาบอกว่าปกติ<อ>ในรูปแบบของเขาอะค่ะเขาจะใช้การเดินจงกรมแล้วก็ท<ม>่องบทสวดมนต์ไปด้วย<ม>ในขนาดเดียวกัน<ม>เขาก็แล้วก็ดูจิตแล้วเขาก็เคยเห็น ที่จิตมันแบบเป็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุของทุกข์แต่ก็ยังโดนความคิดลากไปแล้วก็บางครั้งก็ยังหลงนานไม่ทราบว่ากำลังของจิตไม่พอหรือว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องค่ะขอหลวงพ่อช่วยแนะนําปฏิบัติถูกแล้วนะถึงเห็นจิตมันไหลไปถ้าปฏิบัติผิดแบบหนึ่งก็คือเพ่งไว้จิตไม่ไหลเลยอันนั้นไม่ถูกอีกแบบหนึ่งจิตไหลไปแล้วไม่เห็นอันนั้นไม่ถูก งั้นถ้าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้อันนี้ดีที่สุดนะไม่ใช่ไม่ดีแต่แม่ชีเนี่ยยังมีจุดอ่อนตรงที่ชอบเพ่งยังเพ่งอยู่นะไปเพ่งจิตให้มันนิ่งเดลวงพ่อจะทําให้เท่าๆกันนะเพ่งในระดับเดียวกันดูออกไหมอย่าไปเพ่งแบบนี้ เพ่งอย่างนี้ไม่ดีนะจิตใจที่ดีที่สวดที่จิตธรรมดาจิตธรรมดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายปล่อยให้มันทํางานไปแล้วเรามีสติตามรู้ไปเรื่อยๆดีก็ได้ร้ายก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้หนีไปคิดก็ได้แต่หนีไปคิดแล้วก็รู้ไวๆหน่อยไม่ใช่คิดไปสามวันแนละ้วเพิ่งรู้นะเนี่ยตอนนี้ใจหนีไปคิดลนะ้ก็รู้ว่าใจหนีไปคิดฝนะึกบ่อยๆ ทำกรรมฐานไม่สักอย่างหนึง่งไม่ใช่เพื่อบังคับจิตไม่ให้หนีแต่ทํากรรมฐานเป็นเครื่องสังเกตจิตเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจงั้นพอจิตมันหนีไปคิดมันจะลืมพุทโธลืมลมหายใจเราก็จะได้รู้ตัวได้เร็วว่าโอ้หลงไปแล้วหลงไปแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวใหม่มาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเราจะไม่ดึงจิตคืนมาถ้าไปดึงจิตคืน ม, มันจะแน่นนที่แน่นๆเนี่ยพราเราไปบังคับจิต แต่อย่าบังคับปลอให้นทำงานไปตอนนี้จิตหนีไปคิดรู้ไหมเออถ้ารู้ว่าใช้ได้รู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าเมื่อกี้ร่างกายมันพยักหน้านะก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกไม่บังคับไม่ควบคุมไม่ห้ามนะแค่รู้สึกไปเรื่อยๆไปฝึกต่อไป บอกว่าขอให้หลวงพ่อช่วยดูว่าเขาปฏิบัติเป็นอย่างไรวนะขอคาแนะนำจากหลวงพ่อเขาปกติไม่ได้มีเครื่องอยู่อะไรเป็นหลักค่ะเขาใช้จิตเป็นเครื่องอยู่ดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆไหนก็ใช้ได้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆ อันหนึ่งคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองอีกอันหนึ่งคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเช่นจิตใจวิ่งไปคิดก็รู้จิตใจวิ่งไปดูก็รู้จิตใจวิ่งไปฟังก็รู้หรือถ้าไม่รู้จิตใจที่วิ่งไปวิ่งมาก็รู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็ได้เนี่ยคอยรู้เรียนรู้อยู่ที่จิตเนี่ยเรียนบ่อยๆแต่ถึงเวลาให้ไปไหว้พระสวดมนต์นะการไหว้พระสวดมนต์จะเป็นการเพิ่มพลังของสมาธิขึ้น ทำให้ใจเรามีกำลังดูจิตรวดไปเลยเนี่ยนานๆนนไปจะไม่มีแรงนะแรงจะไม่พอจิตจะฟุง้งเมือนทุกวันแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์ให้ใจมันมีสมาธิขึ้นมาเวลาที่เหลืออ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆมันสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รูนะ้มันวิ่งไปดูก็รู้มันวิ่งไปฟังก็รู้มันวิ่งไปคิดก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไป ทำอย่างนี้แหละเราจเจริญที่ผ่านมาก็ใช้ได้นะ่ะที่ฝึกอยู่จเจริญขึ้นมาแล้วการน้องส ก, กายครับก พ, พูดไทยได้เหรอครับ <c oughs> ผมเริ่มปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติมาได้ประมาณ3มเดือนครับ เ, เข้าใจรู้สึกว่า <c oughs> ใจตัวเองประนีดขึ้นครับถูกโดยปกติจะใช้ลมหายใจเป็นเป็นเครื่องอยู่ครับทีนี้ <c oughs> ผมมีคำถามสองข้อข้อแรกคือ ผมอยากทราบเพื่อยืนยันว่าผมปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางหรือเปล่าครับถูกแล้วไงที่บอกแล้วว่าถูกแล้วนะดีอีกข้อนึงคือผมอยากทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกกับเฉลีและค็นิสัยตัวเองครับจะได้ก้าวหน้าได้ตามที่มันควรจะเป็นครับที่ทําอยู่เนี้ยถูกแล้วละนะถ้าไม่ถูกมันไม่เจริญหรอกตอนนี้เราเริ่มเจริญขึ้นแล้วดูออกไหมละ่ะดูออกครับนะเราเริ่มเปลีป่ยนแปลงแล้ว ขันมันก็แยกแล้วนะดูได้ไหมดูได้ครับเออขันก็แยกแล้วต่อไปก็เห็นขันแต่ละขันมันทางา น, นไม่ใช่เราหรอกร่างกายมันก็ทำงานหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเราเป็นแค่คนดูความสุขความทุกข์มันก็ทำงานตามหน้าที่ของความสุขความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเราเป็นแค่คนดู โลภโกรธหลงมันก็ทำหน้าที่ของโลภโกรธหลงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะใจเราเป็นแค่คนดูเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วตัวจิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเนยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราก็เป็นคนดูไปเรื่อยๆสุดท้ายจะพบว่าคนดูไม่มีขอบคุณครับคนสุดท้ายพาวนาใช้ได้นะ ดเดี๋ยวรอไม้ก่อนเขาบันทึกเสียงไว้อย่าไปเพ่งกันแล้วกันกลับนำสการ์กับหลวงพ่อฟังบุญมากับมัอที่นี่ครั้งแรกครับมีคำถามสาวคำถามยกไม้ยกไม้แบบนี้ครับ ขอหลวงพ่อปรมุแนะนําจริตจริตกับผมเวลาการปฏิบัตินะครับปฏิบัติถูกจริตถูกกับจริตอะไรครับจริตมีสองอันนะจริตอันหนึ่งสําหรับทําสมถะจริตอันหนึ่งไว้ทํำวิปัสสนาจริตทองการทํำวิปัสสนานี่มีแค่สองอันเป็นคนช่างคิดหรือเป็นคนโลภมากเป็นแบบไหนนะเป็นทั้งสองครับอันไหนเด่นกว่ากันหลงมากกว่าครับหลงคิด หลงคิดถูกตัวที่เด่นคือตัวหลงหนะลงคิดถ้าจริตของเราเป็นพวกคิดมากกรรมฐานที่เหมาะคือการดูจิตนะถ้าใจของเราเป็นพวกโลภมากกรรมฐานที่เหมาะนะก็ไปดูดูกายนะกายดูเพราะนั้นเราใช้จิตเป็นหลักจิตหลักดูโลภกดหลงใช่ไหมครับอะไรนะดู โทระัพโมหะโลภะนั่นแหละดูพวกกิเลสนะ่หมุนเวียนเห็นมาถ้าตะบันไหนดูไม่ออกนะก็ดูกายดูจิตได้ดูจิตก่อนแล้วดูจิตไม่ออกค่อยมาดูกายครับชีโมโหชี้โมโหไหมมีมั่งครับไปดูนะโมโหขึ้นมาโมโหไม่ใช่ว่าต้องโมโหโวยวายนะขัดใจเล็กๆก็เห็นนะค่อยๆดูไป เออขอ้ขอสองพ อ, เ, อ, อเวลาแยกแยกขันนะครับให้รู้สึกอย่างไรครับก็มันก็แยกอยู่แล้วล่ะรู้สึกไหมร่างกายที่ถือใหม่เนี่ยมันถูกรู้ตูไม่ค่อยอดมันถนัดถนัดจิตเวลาความรู้สึกเกิดรู้สึกไหมความโลภโกรธหลงมันถูกรู้เนี่ยถนัดดูจิตไหมให้เราไปดูจิตถ้าเราเห็นว่าความโกรธไม่ใช่จิตนะเป็นของที่จิตไปรู้เนี่ยเราแยกขันได้แล้ว ข้อสุดข้สุดท้ายครับคืเอเวลาทําสมาธิครับหลพ่อเครเทพว่าอยู่กับอารมณสุขอารมณ์มัสุขนี่ให้นึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วให้เราจับจําอารมณ์สุขนี่แล้วก็เพื่อเป็นสมาธิครับเวลาทําสมาธิทําอะไรนะจับทําทําสมาธินะครับ เ, <อ>เวลาจะเข้าสมาธิ อ, อยู่กับความสุข เ, <อ>เราจําความสุขขึ้นมาหรือว่านึกคิดความสุขขึ้นมาเองไม่ใช่คิดนะ เราจำความรู้สึกเอานะแล้วอย่างเราเคยหายใจแล้วสงบสุขนะเราจะต้องการพักเราก็หายใจไม่ได้จงใจนะถ้าจงใจบิ้วขึ้นมาอะไรเนี้ยไม่สงบหรอกนะแค่เรานึกถึงจิตใจนะนึกถึงอารมณ์กรรมาฐานที่มีความสุขไม่ใช่นึกถึงไอ้ตัวอารมณ์นะนึกเอ้ไม่ใช่ใช้สัพ์ไงวะ ภาษาไทยเนี่ยนึกถึงอารมณ์อารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์กรรมฐานไม่ใช่นึกถึง feeling ไม่ใช่ความรู้สึกสุขอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่นึกถึงอารมณ์กรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าต้องการทําสมาธิให้สงบนะหลวงพ่อจะทำานาปณสตินึกถึงการหายใจ ไม่ใช่นึกเฉยๆนะเห็นการหายใจจริงๆใช้การหายใจเป็นฐานเป็นมิหานธรรมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรเงี้ยใจเรามีความสุขแล้วสงบเร็วนะครับไม่ใช่นึกถึงความรู้สึกสุขนะกับกบกุฎครั บ, ร บ, รบนึกถึงกรรมฐานที่เมื่อทําแล้วมีความสุขอาจจะใช้คําให้รัดกุม เ, เชิญกลับบ้านเสียงแหบแห้งพอดี